ตอนที่114โจเจี้ยนเยี่ยดีใจไปก็ไม่มีประโยชน์เศร้าหึงโตขนาดนี้แล้วมีเรื่องในใจก็เป็นธรรมดาหยวนเฟยขมวดคิ้วลูกชายของเราถูกประกูลเจิ้งเล้งดูมาจนเป็นแบบนี้ในใจผมมีแต่ความซาบซึ้งใจต่อพวกเขาอีกอย่างเด็กคนนี้สอบได้คะแนนดีขนาดนี้การที่เขากลับมาต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแน่และคุณไม่ได้ยินที่เขาพูดวันนี้หรือว่าอยากเข้าคณะการเงินผมว่าเขาคงอยากเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจของบริษัทเราด้วยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงเหรอคะ สวีอวีเสียไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะอย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช่เด็กที่เธอเลี้ยงดูมากับมือนิสัยใจคอของเขาเป็นอย่างไรเธอก็ไม่รู้เลยสักนิดจริงสิสรุปคือหยวนเฟยบอกให้เธอวางใจได้ประกูลเจิง้งไม่นานนักอาจารย์จากโรงเรียนก็นำข่าวมาแจ้งว่าหลี่หวานคือจ้วงหยวนของการสอบเกาข่าวระดับเมืองวันนี้ข่าวดีทยอยมาไม่ขาดสาย ลีชิงผิงดีใจจนน้ำตาไหลพรากในที่สุดลูกสาวของเธอก็ผ่านพ้นความลำบากมาได้เสียทีสอบได้คะแนนดีขนาดนี้อนาคตย่อมรุ่งโรยหาที่เปรียบไม่ได้ส่วนลีหวันกลับแสดงท่าทีสงบนิ่งอย่างมากเจ้าชุนหวาดีใจจนเสียงหัวเราะในบ้านไม่เคยเงียบหายไปเลยดีดีมากล้านสาวของฉันเก่งจริงๆตอนนี้บ้านเราก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้ว เจิ้งอวิ๋นฉงยกยิ้มมุมปากอุ้มลูกชายในอ้อมอกแล้วรู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กนี่ดูเจริญตาขึ้นไม่น้อยเจ้าหนูนี่กวนใจทุกคืนจนเขาแทบอยากจะโยน อ, นออกไปนอกถนนเพราะมาขัดขวางการพักผ่อนของหลีชิงผิงแต่ถ้าในอนาคตเจ้าลูกชายคนนี้สอบได้คะแนนดีเหมือนเสียหวานคนเป็นพ่ออย่างเจิา้งอวิ๋นฉงก็คงเบาใจได้แล้วและวเซาเหิรล่ะพวกเธอสองคนเห็นคะแนนของเขาบ้างไหมเจ้าชุนฮวาเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างแล้วจึงเอ่ยถามขึ้น คะแนนที่พี่ชายสอบได้ก็ไม่เลวเลยค่ติดอันดับสิบของโรงเรียนแถมคะแนนครั้งนี้ยังสูงกว่าคะแนนเดิมของเขาด้วยหลีหวันกล่าวโดยตรงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศพวกนั้นเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะดีแม้ในใจเจ้าชุนฮววจะยังมีความขุ่นเคืองต่อหลานชายคนโตอยู่บ้างแต่เมื่อเห็นเขามีอนาคตไกลเธอก็เบ า, เบาใจเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็ยกมือขึ้นเช็ดหางตาไม่รู้ว่าเซาเหิงจะมาส่งข่าวให้พวกเราที่บ้านบ้างไหม เด็กมันอยากกลับมาก็กลับไม่อยากกลับก็ช่างเธอการที่เขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองแ่านะเป็นเรื่องดีฉันว่าเธอนี่คิดมากไปเองคุณปู่เจิ้งเ อ, อ๋ยปลอบทําไมพอเขาไม่ได้อยู่ข้างกายเธอแล้วเขาจะไม่ใช่หลานชายเธอหรือไงฉันไม่เชื่อหรอกว่าเด็กที่เราเลี้ยงมาจะเป็นคนอกตัญญูเขาต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแน่ในฐานะยา่าเธอควรจะสนับสนุนเขาถ้าแม้แต่เธอยังไม่เข้าใจเขาแล้วจะมีใครเข้าใจเขาอีกแม่คะฉันว่าที่คุณพ่อพูดก็มีเหตุผลนะคะลีชิงพิงอดไม่ได้ที่จะช่วยผู้เสริม เธอพวกเธอก็เอาแต่ช่วยพูดแก้ตัวแทนเขาเด็กบ้านเราเองแท้ๆจะไปคิดเล็กคิดน้อยทําไมกันก็จริงอย่างที่ว่าความคิดของหลีหวานที่อยากจะเข้าเรียนคณะแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยการแพทย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้ในช่วงเวลานี้จะมีอาจารย์จากฝ่ายรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งติดต่อเธอมาหรือแม้แต่บางคนพยายามผ่านทางเจิ้งอวิ๋นชงเพื่อเกลี้ยกล่อมให้หลีหวานเปลี่ยนใจแต่เธอก็ยังคงหนักแน่นเรื่องนี้ทําให้คณะแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยการแพทย์รู้สึกเหมือนได้ ลาบลอยมาโดยไม่คาดคิดแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ที่จงหยวนพึ่งได้รับนั้นไม่มีขาดตกบกพรองแม้แต่น้อยทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องสามปีหอพักห้องเดียวและอื่นอื่นอีกมากมายหลีหวานมีข้อเรียกร้องอะไรก็สามารถเสนอได้เต็มที่ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยจัดการให้ทั้งหมดอีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะถึงกำหนดเข้าเรียนหลีหวานจะเป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่หนึ่งที่มีอายุน้อยที่สุด ลิชิงพิงมีความกังวลสารพัดอย่างแต่ที่ห่วงที่สุดคือลูกสาวอายุยังน้อยไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกับนักศึกษาใหม่คนอื่นๆกลัวว่าจะถูกรังแกเอาได้แม่ข้ตอนเรียนมัธยมปลายก็ไม่มีใครรังแกฉันพอเข้ามาหาวิทยาลัยพวกเขายิ่งไม่มีโอกาสรังแกฉันหรอกค้าฉันจะกลับบ้านทุกวันอีกอย่างวิชาในมาหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เยอะมากถึงตอนนั้นฉันจะมีเวลามาอยู่เป็นเพื่อนพวกแม่ได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลอะไรหรอกคะ่ะแม่ก็ยังอดห่วงไม่ได้อยู่ดีลิชิงพิงถอนหายใจเบา แม่รู้สึกว่าวันคืนดีๆในตอนนี้เหมือนกับความฝันเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตื่นจากฝันเสียทีไม่ใช่ฝันหรอกเขาเป็นเรื่องจริงตื่นเป็นเรื่องจริงลีชิงทิ้งพยักหน้ายอย่างหนักแน่นลูกไปเรียนข้างนอกคนเดียวต้องดูแลตัวเองให้ดีมีเรื่องอะไรต้องรีบบอกที่บ้านนะแล้วก็เรื่องตระกูลโจเรื่องในวันที่ไปฟังผลสอบแม่ได้ยินมาหมดแล้วโจเจีย้ยนเย่เห็นลูกสอบได้คะแนนดีเห็นว่าลูกมีอนาคตไกลก็เลยคิดอยากจะกลับมานับแยกกับลูกอีกครั้งไม่ต้องให้แม่พูดหลีหวานก็เข้าใจดี แม่ขเขาอยากรับฉันแต่ฉันไม่อยากรับเขาค่ะทางที่ดีที่สุดคือให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมีการติดต่อใดๆต่อกันอีกในอนาคตเขาเป็นพ่อลูกความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพวกลูกยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าลูกจะปฏิเสธเขายังไงตราบใดที่เขาต้องการเขาก็จะตามถือลูกไม่เลิกที่แม่กังวลตอนนี้คือเขามันพวกกัดไม่ปล่อยหลีชิงผิงลดเสียงต่าลงจะทํายังไงดีนะไม่หรอกค่ะตอนนี้เขาก็มีชีวิตของตัวเองที่ต้องดูแลคงไม่เอาเรี่ยวแรงทั้งหมดมาทุ่มที่ฉันหรอก คาดว่าผ่านไปสักพักก็คงเลิกลาไปเองถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีที่สุดลีชิงผิงมองลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนหวังว่าในอนาคตลูกจะตาถึงกว่าแม่นะอย่าเดินหลงทางเหมือนแม่เลยลีหวานคล้องแขนลีชิงผิงแล้วยิ้มหวานแน่นอนคะ่ะเธอจะไม่มีวันเดินหลงทางเด็ดขาดลีชิงผิง ข่าวดีของหลีหวันแพร่สะพัดไปทั่วแน่นอนว่ามันเข้าหูหลิวเคอเคอด้วยตอนนี้เมื่อเห็นสองแม่ลูกนั่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆในใจเธอก็อิจฉาจนแทบคลั่งนึกไม่ถึงเลยว่านางเด็กนั่นที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยสักวันจะฉลาดได้ขนาดนี้ลิวเคอเคอร์อโตมาจนป่านนี้ยังไม่เคยเจอใครฉลาดเท่านี้มาก่อนเลยโจจีย้นยี้แสดงอาการดีใจอย่างออกหน้าออกตาอยู่ที่บ้านไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรยิ่งหลิวเคอเคอเห็นเขาดีใจมากเท่าไร่เธอก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดใจมากขึ้นเท่านั้น ฉันไม่เข้าใจจริงๆลูกสาวคุณตอนนี้ไม่ยอมรับคุณแล้วแต่ลูกสาวแท้ๆของคุณยังอยู่ในอ้อมกอดคุณนี่ไงทำไมคุณถึงไม่รู้จักดีใจที่เห็นลูกสาวเราบ้างเรา ย, ยิ้มบนมุมปากของโจเจียนเยะหุบลงเขามองหลียวเคอะเคอด้วยสายตาไม่พอใจตอนนี้ฉันอารมณ์ดีไม่อยากจะถือสาหาความกับเธอเธออย่ามาหาเรื่องให้ฉันรําคาญใจแถวนี้ฉันหาเรื่องเหรอดูคุณสิวันวันเอาแต่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาจะสอบติดมหาวิทยาลัยมันเกี่ยวอะไรกับคุณเขาได้ทุนการศึกษาแล้วเขาแบ่งให้คุณหรือไง หลิวเคอเคอกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์คุณเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าของเราจะทํายังไงฉันว่าเธอนี้มันเห็นเก่งเงินจนหน้ามืดตะมัววันๆเอาแต่พูดเรื่องเงินฉันไม่ได้ออกไปหาเงินหรือยังไงเมื่อก่อนคุณเป็นผู้พันเงินที่หามาได้มันก็พอกับค่าใช้จ่ายของเราแต่ตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างแล้วฉันจะพูดไม่ได้หรือไงเห็นเห็นกันอยู่ว่าทั้งครอบครัวเรากําลังจะอดตายกันหมดแล้วตอนนี้เธออดตายแล้วหรือยังโจเจีน้นเยาะโบกมืออย่างรําคาญ ถ้าเธอเห็นฉันแล้วขวางหูขวางตาก็กลับบ้านเดิมของเธอไปซะฉันจะได้อยู่อย่างสงบหูบ้างฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันกลับมาบ้านแทนที่จะพูดเรื่องดีๆให้ชื่นใจกับเอาแต่พูดเรื่องที่ทำให้คนโมโหอับมงคลจริงๆ